ตั้งใจสํารวมใจของทนให้ดีเวลานี้เป็นเวลาว่างอากาศก็ดีไม่หนาวนักไม่ร้อนนักพอดีพอดีเวลาอย่างนี้แหละการทำความเพีย ทางจิตใจเนะี่ยมันเป็นโอกาสอันดีเป็นไปได้ทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสได้ทำใจให้สงบลงได้พอสำคัญอยู่ที่เราเพ่งอยู่ภายในเนี่ยไม่เพ่งออกไปภายนอก สำคัญอยู่ตรงนี้แหละถ้าเราเพ่งอยู่ภายในนี้่เรามันไปไม่ไปไหนลวจิตอะมันอยู่ได้กับสติเคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่จิตนี่นะถ้าขาดสติสมบัจณัชะแล้ว มันจะอยู่ไม่ได้จิตนี้จะอยู่นิ่งๆไม่ได้มันต้องคิดเลาะลอนหาอารมณ์ต่างๆท่านอุปมาไว้เหมือนกับลิงที่มันโดดเต้นไปในป่าใหญ่คว้าใส่กิ่งนี้วางกิ่งนี้แล้วก็คว้าใส่กิ่งนั้นไปเลย ต้นไม้แต่ละต้นที่จะมีผลนะมีน้อยเต็มทีข้ออุปมานีนฉั้นใดก็อย่างนั้นนะจิตที่ขาดสติสัมปชัญญะควบคุมมันก็จะวิ่งไปตามอารมณ์ต่างๆที่น่านยินดีบ้างน่านยินร้ายบ้าง ไอ้จิตที่คิดไปภายนอกนั่นที่มีประโยชน์ น, น้อยที่สุดเลยที่มีโทษมากกว่าคุณเหมือนกับลิงที่มันกระโดดไปตามต้นไม้ต่างๆนนที่มันมีผลให้ได้บริโภค น, น, น้อยเต็มทีฉันใดก็อย่างนั้นแหละ เรื่องราวต่างๆของโลกที่จิตมันคิดแส่ายไปนั่นเมื่อเราพิจารณาดูด้วยปัญญาแล้วมันไม่มีคุณประโยชน์เท่าไหร่นักบางอย่างมันก็ไม่มีโทษอะไรแต่ว่าแต่มันก็ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์คิดเล่นๆลอยๆไปอย่างนั้นแหละ ภาษาของคิดที่ไม่มีสติควบคุมมันก็ย่อมคิดส่งายลอยไปตามอารมณ์อย่างนั้นดีบ้างชั่วบ้างเหมือนอย่างเรือที่ปล่อยให้ไหลไปตามกระแสของน้ำโดยไม่มีนายท้ายไม่มีคนถือท้ายเรือนั้นมันก็ไปตามกระแสน้ำ สุดแล้วแต่กระแสนะ้ํามันจะพัดไปอย่างไรกระแสนะ้ํามันคดเรือมันก็ลอยไปคดกระแสนะ้ํามันตรงไปเรือมันก็ลอยตรงไปอย่างนี้แหละบางทีมันก็เลยไปค้างอยู่ที่เกาะที่แก่ ง, งแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ถึงทะเลหลวง อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละอันทะเลหลวงนั้นเปรียบได้แก่พระนิพพานอันเกาะแก่งนั้นเปรียบได้กับโลกสันิวัตอันนี้จิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันก็มักแก่คล่องโยตามเกาะแก่งต่างๆคือได้แก่โลกสันิวัตอันนี้แหละ การปล่อยเรือให้ไหลไปตามกระแสน้านั่นอ่ามันก็มีโทษอย่างนั้นเนี่ยมันไปค้างไปตามเกาะตามแก่งใจคนเราก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าปล่อยให้มันคิดมันไม้ไปตามอารมณ์ต่างๆในโลกนี้แล้วมันก็คล้องอยู่ในโลกนี้มันก็ยึดโลกอันนี้ไว้เป็นที่พึ่งของใจอะไแล้วมันก็จะหนีจากโลกนี้ได้อย่างไรคิดดู พอจิตออกจากล่างเลยนะมันก็วนเวียนไปหาเกิดกับคนหรือสัตว์แล้วแต่บุญบารมีแล้วแต่บาปผู้ทำบาปไว้บาปมันก็นำไปเกิดในที่ทุกข์ยากลาบากผู้ทำบุญบุญก็นำไปเกิดที่สุขสบายแต่ที่สุขสบายมันก็มีหลายขั้นตอน เป็นไปตามกําลังของบุญที่บุคคลกระทาผู้ใดทําน้อยก็มีความสุขตามน้อยเหมือนอย่างบุคคลรับประทานอาหารเมื่อรับประทานน้อยมันก็มีความสบายได้หน่อยหนึ่งพองไฟทาดย่อยหมดไปแล้วมันก็หิวขึ้นมาอีกผู้ใดรับประทานมากจนเต็มอิม่มมันก็สบายไปได้นานหน่อย มันก็เป็นอย่างนี้แหละการทําบุญกุศลทําความดีดังนั้นปุ๋ิปัญญาท่านจึงไม่เกียจค้านในการทําบุญ่ะทํามากได้เท่าไรก็มีความสุขมากเท่านั้นเหมือนอย่างเราเพียนพยายามทําใจให้สงบอันนี้ก็เรียกว่าเพียนทําบุญทางใจ เมื่อเพียรพยายามทำใจสงบได้เท่าไรมันมีความสุขเท่านั้นเนี่ยหรือมาเจริญปัญญารู้เท่านามรปูปหรือขันห้าในตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวตนเราเข า, ย, ายิ่งมีความสุขหลายเพราะว่าขันห้านี้ไม่เที่ยงนี่เมื่อภาวนารู้แจ้งนั้นเวลามันวิบัติแปลโพนไป จิตใจก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนอมเมื่อไม่เป็นทุกข์เราเป็นยังไงอ่ะเอ้าก็เป็นทุกขแล้วนะลักษณะของจิตที่เป็นทุกข์นั่นะเป็นลักษณะที่ไม่วันไหวต่อสิ่งใดๆมไม่วันไหวต่อความแปรปรวนของร่างกาย คือมันมีความสุขอยู่โดยลำพังตัวเองไม่ได้อิงอาศัยร่างกายอันนี้ว่าเป็นสุขสบายหมายเขาว่าอย่างนั้นเอาภูรี ย, ยังอิงอาศัยร่างกายอันนี้อยู่เวลาร่างกายนี้เป็นสุขใจก็เป็นสุขไปตามเวล า, าเวลาร่างกายนี้เป็นทุกข์จิตก็เป็นทุกข์ไปตาม มันก็เป็นอย่างนั้นพอมันเป็นของไม่เที่ยงเรามาอาศัยอยู่ของไม่เที่ยงต้องเตือนตนเสมอเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ทนได้ยากสิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาถ้าเป็นของเราก็บังคับได้ไม่ให้จำลุทุตโธม มันก็ไม่ทุดโทมเพราะใครเราเกิดมาแล้วจะปรารถนาให้ร่างกายนี่ทุดโทมแตกดับไปไวๆเนี่ยไม่มีเลยเกิดมาเป็นรูปเป็นนามอันนี้มาแล้วก็อยากอยู่ยั่งยืนนานไปในโลกนี้แหละตราบเท่าที่อยู่ไปได้แต่แล้วมันไม่เป็นไปตามใจหวัง ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอันเหตุปัจจัยนั่นก็คนเรานี่ยสร้างขึ้นมา嘛นี้คือดวงจิตเนี่ย อ, อาศัยกายอันนี้แล้วก็สร้างความดีความชั่วขึ้นมาแล้วความดีความชั่วนั่นแหละก็มาตกแต่งตร่างกายนี่ให้หรือตกแต่งสมบัติ ตสางให้เป็นที่อาศัยก็อาศัยบุญตกแต่งี้ถ้าบาปตกแต่งแล้วเกิดมาในโลกนี้ไม่สมบูรณ์พูนถูกอะไรเลยมีแต่ยากจนคนแค้นมีแต่เจ็บป่วยไข้ทำการงานอะไรก็ไม่ได้อาศัยผู้อื่นเป็นอยู่ไอบาปมันตกแต่งไปอย่างนั้นเนี่ยฉะนั้นให้พากันกลัวบาปอย่างว่า ก็มันเห็นได้ชัดๆอยู่นี้ไม่ใช่ว่าพูดแล้วไม่มีหลักฐานพยานนะมีอยู่ทั่วไปในโลกนี้ทั้งคนบาปทั้งคนบุญเราเห็นกันอยู่ดาดืน่นเมื่อเป็นเช่นนี้จะไปสงสัยลังเลอะไรแล้วเรื่องบาปเรื่องกรรมเราก็จะไปทามันสิถ้ามองเห็นแล้วหาทางหลีกเลี่ยงนะ อาชีพอันไดที่มันไม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรแล้วก็เสวงหาอาชีพอันนั้นคนธรรมดาคนฉลาดนะคนไม่ฉลาดแล้วก็ยังว่าเจออย่างไรก็เอาอย่างนั้นเรื่องบาปเรื่องบุญไม่ต้องพูดถึงกันขอให้ปากให้ท้องนี่นมันอิ่มก็พอแล้วมันไปเวรนั่นนะคนส่วนมากนะเหตุนั้นจึงร่วงพุทธบัญญัติ ไปได้สบายสบายเรื่องอนาคตี้ก็ไม่ต้องพูดถึงจะเป็นยังไงไปก็แล้วแต่มันมันก็เป็นอย่างนี้แหละไอความเห็นผิดของคนเราผู้ไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้สมาธิให้ปัญญาเกิดขึ้นมันก็เห็นผิดเป็นชอบเลยไปอย่างนั้นในที่สุดก็เรียกว่า ตีตนตายก่อนไข่ไปเลยเกิดความเห็นผิดขึ้นมาตายแล้วมันไม่รู้จักอะไรหรอกมันจะเป็นอะไรไปก็ไม่รู้เป็นอะไรไปเราก็ไม่รู้หรอกถ้าความเห็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เว้นละความชั่วทามุงความชั่วลงไปดื่มเหล้าเมาสุราหัวรา้ํำ อ้าวมันไม่มีผลตามสนองรอการกระทำหมู่นี้นะทำแล้วก็แล้วไปในปัจจุบันนี้แลหละใ้ความเห็นมันเกิดขึ้นอย่างนี้แตมันจึงทำชั่วคนเรานะดังนั้นชาวพุทธทั้งหลายไม่ควรจะให้จิตใจตนเองมันเลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกอย่างนั้นมันไม่มีสิ้นสุดจริงๆ ส่วนที่เราอยู่ด้วยคุณธรรมเนี่ยมันมีสิ้นสุดลงได้ลองเทียบกันดูการส่งใจไปตามกระแสของโลกนั้นมีแต่อยากได้อยู่รอมไปทางอิ่มไม่มีอะไรมีแต่หิวโหยอย่างนั้นวันนี้ตรงกันข้ามเมื่อเราทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมันละความอยากความปรารถนาในจิตใจนี่ลงได้แล้ว ความไม่ปรารถนาอะไรมันก็เกิดขึ้นมาแทนนั่นแหละเมื่อไม่ปรารถนาอะไรแล้วนี่มันจะมีทุกข์มาจากไหนมาเนี้ยิตใจคนเรามันเป็นทุกข์ก็เพราะใจมันหิวมันอยากอืูเรื่อยมันไม่รู้จักอิม่มไม่รู้จักพอเนี่ยนั่นะมันถึงเป็นทุกข์นะทุกข์ใจนี่เนี่ยเช่นอย่างว่ า, าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยลง เจ็บต้นปวดนี่อะไรโอยก็มาอยากหายแต่นาะเมื่อไรจะหายหนอเอาอยู่อย่างนั้นเนี่ยคันเมื่อมันไม่หายให้หมอรักษาวางยางนีรก็ไม่หายเอาเรามิดทุกข์แล้ววันนี้เกิดทุกข์โทรมนัดขึ้นมาแล้วว่าเออเรานี่จะตายแท่นอมันมีเรามีเขาขึ้นมาแล้ววันนี้ เมื่อมีเรามีเขาเขาา้ามาแสดยิ่งคลุ้มใจเท่านั้นให้พิจารณาดูข้อนี้นะให้มันเห็นด้วยตนเองเพียงแต่ฟังผู้อื่นพูดให้ฟังแต่ตนเองไม่ได้พิจารณาไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาพิจารณามันก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วยตนเองมันนี้มันก็ไม่หนักแน่นพอ ถ้าสิ่งใดมันรู้มันเห็นด้วยตนเองอย่างนี้แนละ้วมันไม่สงสัยอ่ะไม่สงสัยลังเลสามารถตัดสินใจลงได้ไม่ลังเลใจนี่คือบุญอย่างนี้นะใจที่เบิกบานผ่องใสอยู่นั่นแหละเรียกว่าบุญนะ มันก็ไม่สงสัยเลยวันนี้มันบุญนี่เป็นชื่อของความสุขคนเราถ้าทำใจเบิกบานผ่องใสได้เราก็มีความสุขตอนนั้นเองถ้าจ้องทำใจเศร้าหมองขุนมัวลงไปก็เป็นทุกข์อลองสังเกตดูอ่ะร่ากายเนี่ยมันไม่ว่าอะไรนี่ถึงมันิบัติลงไปถ้าจิตไม่ว่าอะไรแล้วมันก็ไม่ว่าอะไร มันว่าอะไรไม่ได้เลยจิตัทหากเป็นผู้ว่าอะไรต่ออะไรแตเราคิดพิจารณาดูให้ดีดันั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจึงต้องฝึกหัดให้มันหนักแน่นเข้าไปอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นจนมองเห็นว่าไม่มี สัตว์ไม่มีบุคคลแก่เจ็บตายมีแต่ธาตุสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นมันวิบัติแปลปวนไปแล้วมันแตกดับไปพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้นะอันนี้ท่านรเรียกว่าปรมาถธรรมธรรมอันยิง่งธรรมของจริงก็ว่าจิตใจต้องอย่างลงถึงปรมาถธรรม คันเมื่อมองเห็นทุกสิ่งหนึ่อย่างเป็นของไม่ใช่ตัวตนของของตนแล้วความอยากความปรารถนาที่จะผูกพันอยู่กับโลกอันนี้นะี่ยมันก็เบาลงเลยนะเอา้ามันจะอยากได้ไปอะไรล่ะมันไม่ใช่ของเราอะ่ะมันก็อย่างนี้นะเหตุผลมันนะความจริงมันนะเป็นความจริงนะ เมื่อมองเห็นทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของตนแล้วมันก็จะอยากได้ไปทำไมวะเนีเ่ยอ้าถ้าถ้าไม่อยากได้ ก, ก็อย่าไปใช้สอยสิอย่าไปบินถวัดมาฉันสิอย่าไปทำนาท ำ, ทำสวนปลูกข้าวอะไรลงสิบางคนก็อาจจะพูดอย่างนี้ถามอย่างนี้ก็ได้ อ, อันนั้นมปนคนละเรื่องกันอย่าเอามาพลนกัน ไอยอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าเมื่อขันห้ายังมีอยู่ตราบใดก็ต้องหาเลี้ยงมันอยู่ตราบนั้นขันห้านี่นะนี่ว่าเราทำโดยจำใจเฉยทำงานต่างๆในโลกอันนี้นะพอได้บำรุงขันห้านี้เป็นอยู่ไปตามธรรมชาติของมัน เมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยของเก่าแล้วมันก็แตกดับทำลายไปแล้วก็เล่้วไปให้ทำความรู้ความเห็นอย่างนี้นะเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็สบายใจนะไม่เดือดร้อนนะอาศัยขันห้าแต่มาฝึกใจไม่ให้มันติดอยู่ในขันห้าพูดกันอย่างรวบรัดอย่างนั้น เหมือนอย่างใบบัวอาศัยน้ําแต่น้ําไม่ติดอยู่ในใบบัวไม่ซึมเศร้าเข้าสู่ใบบัวนี่ฉันใดจิตมุนีกิตของท่านผู้รู้แจ้งทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแหละได้เห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักว่าแต่ได้ยินได้รู้สึกทราบซึ่งอะไรก็สักแต่ว่ารู้สึกไม่มีความหมายอะไรหมายความว่างั้น ไม่ไม่ไม่มีการยึดถือซักจะว่าพออาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเนี่ยไอ้สังขารร่างกายอันนี้ก็ดีหรือวัตถุสิ่งของนอกร่างกายอันที่ออกไปก็ดีมันก็เป็นของอาศัยไปชั่วคราวในเมื่อมันเกิดมาแล้วเนี่ยตนไม่รู้นี่แต่ก่อนมาก็ดี อะไรสำคัญว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนนะมันถึงได้ใช้ขันห้าในธรรมดีบ้างธรรมชั่วบ้างกรรมดีและกรรมชั่วนะมันก็นําดวงขีปนญญาณให้มาเกิดอาศัยขันห้าอีกต่อไปเพราะว่ามันมียึดถืออยู่อ่ะมีอุปทานอยู่ว่าของเราของเขาอยู่อย่างนี้นะนี่แหละมันเป็นตัวกรรมอ่ะนําให้เกิดอีกน่แต่ถ้าหากว่า มันยังละกพงวางขันห้านี้ไม่ได้เพราะกำลังบุญวัฒนาบา ร, รมียังไม่เต็มบริบูรณ์อย่างนี้ก็ ข, ขอให้ยึดขันห้าอันนี้ไว้สำหรับทำความดีก็แล้วกันนี่สอนตนเข้าไปอย่างนี้กรรมมาได้ดีมีประโยชน์ตนและผู้อื่นจะเพิ่มคูนบุญบา ร, รมีให้แก่กล้าขึ้นไป ก็ทำกรรมอันนั้นไปมันก็เป็นจริงนะเมื่อเราทำกรรมดีเข้าไปมันก็เพิ่มพูนบุญบา ร, รมีให้มากขึ้นโดยลำดับไปทิ้งใดมันชั่วเขาะอย่าไปใช้กันห้านี้ไปทำถึงแม้มันจะร่ำรวยมามันจะได้อาหารอันดีๆมารับประทานก็อย่าไปยินดีพอใจ ในการทํำถึงใดแล้วนําทุกน้าโทษมาให้แม้นจะร่ํารวยยังไงก็อย่าไปเอามันเลยเพราะการร่ํารวยในปัจจุบันเนี่ยไม่มีความหมายอะไรถ้าพูดถึงปรมตถ ธ, ธรรมลงไปแล้วพอตายแล้วมันก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงด้วยนฮะนี่นั่นเองดังนั้นน่ เขาพูดใเจ้าจชืว่าทรัพย์ภายในดีทรัพย์ภายในนี่น่ะดีกว่าทรัพย์ภายนอกมีเงินทองเป็นต้นคนรเสวงไว้ให้มีในต้นอะไรทรัพย์ภายใ น, นเริ่มต้นศรัทธาความเชื่อศรัทธาทนังศรัทธานี่ก็เป็นทรัพย์อันนึงเป็นทรัพย์ของจิตใจหมายเขาว่าอย่างั้น เมื่อเรามีความเชื่อมั่นในความดีที่ตนทำแล้วมันก็สบายใจมีความเชื่อมั่นว่าบาปควรละตนกะละมันมาแล้วอย่างนี้นะความเชื่ออันนี้นะต้องเชื่อถูกทางถ้าเชื่อไม่ถูกทางมันก็ไม่ได้ประสบความสุขอะไรแล้วสีรัทนังสิน การรักษากายวาจาให้บริสุทธิ์ปราศจากโทษมันก็เป็นทัพอันหนึ่งซึ่งไม่มีอยู่ที่อื่นนะมีอยู่ที่กายที่ใจเท่านี้แหละมีอยู่ที่กายวาจาใจเท่านี้ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นอิริโอตปะฮิฮิริโอตตปิยันเจวะธนงัง ความละอายแก่ใจในอันกระทาความชั่วความเกรงกลัวว่าความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์แล้วเว้นจากความชั่วอันนั้นได้มาตั้งหน้าทําความดีนี่นี่ก็เป็นทรัพย์อันประเสริฐอันหนึ่งนะเพราะคุณธรรมเรานี้เมื่อเกิดขึ้นในใจของผู้ใดเล่ามันทําให้ผู้นั้นเว้นจากบาปได้ไม่ทําบาป ก็ถึงว่าเป็นทั์อันประเสริฐนั่นเองมาได้พาหูสัสจจะพร้มเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามากเป็นผู้ทรงจำทำคำสั่งสอนของอุตตเจ้ามากหมูนี่นะมันเป็นทั์อันประเสริฐเป็นของปลื้มใจยงจริงเปร่งันปลื้มใจทีคนเรา ถ้ามีปัญญาแล้วมันหาทรัพย์ได้นี่ น, น, นัหาทรัพย์ทั้งภายนอกก็ได้หาทรัพย์ภายในคือบุญกุศลก็ได้นี่แล้วก็เว้นความชั่วก็ได้เพราะมีปัญญาหาทางหลีกเว้นจากกรรมันชั่วได้เพราะฉะนั้นเมื่อมาพิจาราถึงกําลังปัญญาที่ตอนอบร้มให้เกิดให้มีขึ้นมาแล้วก็ปลื้มใจ การบริจาคทานอันนี้มันก็เป็นทรัพย์ภายในอันหนึ่งเพราะสิ่งของแหละเราบริจาคไปแล้วแต่ขลแห่งการบริจาคนั้นมันต้องปรากฏอยู่ในใจนู้นไม่ใช่อยู่ภายนอกใจเบิกใจบานเมื่อสละความโลภความตลีออกกับหัวใจไปแล้ว อย่างนี้เลยท่านถึงเรียกว่าเป็นทรัพย์ภายในนั่นแหละคือบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการบริจาคทานหรือการเสียสละความชั่วต่างๆท่านเรวัาจฉาะคือการสละเสียซึ่งความชั่วทางกายทางวาจาแล้วการละความมีติดเป็นชอบทางใจออกไปอย่างนี้นะ ท่านจึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเป็นทรัพย์อันประเสริฐทีเดียวจากนั้นน่ะควรพากันบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดม่ขึ้นในจิตใจให้ได้อย่าปล่อยให้จิตใจมันว่างจากคุณธรรมเหล่านี้เพราะว่าทรัพย์ภายในนี่น่ะติด ตามตนไปทุกแห่งทุกคนแม้ว่าจะไปเกิดในพพใจชาติใดคุณธรรมเหล่านี้ก็ตามดวงกิดไปไม่ไม่ลดละไปตามอุปการะจิตใจให้น้อมไปทางบุญทางกุศลให้เห็นทุกเห็นภัยในวัฏฐสงสารอยากจะถอนตนออกจากวัฏฐสงสารนี้ โดยเฉพาะเรื่องปัญญาท่านังนะทรัพย์คือปัญญานะั่เป็นของประเสริฐมากทีเดียวเพราะคนเราถ้ามีปัญญาเกิดขึ้นแล้วมองเห็นทุกภัยเลมาศาสตร์สงสารอันนี้นี่หมายเอาปัญญาในทางธรรมนะมองเห็นโทษแห่งความเกิดแก่เจ็บตายนะเป็นทุกข์กลายมองมองเห็นโทษแห่งตัณหาขมทยานอยากอันไม่มีสิ้นสุดนั่น นี่ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างมหาขควรละแท้ความอยากความหิวต่างๆนี้นี่แต่เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเหตุให้ละตัณหาให้เบาบางไปเรื่อยๆไปเริ่มแต่ตัณหาภายทำบาปนี่แหละละตัณหาประเภทนี้ก่อนเมื่อละละตัณหาประเภทนี้ได้แล้วก็เป็นว่าละตัณหาส่วนละเอียดส่วนกลางเข้าไป มันก็ได้ไปเรื่อยๆเละเมื่อเราเห็นโทษของมันแล้วนะนั่นไงเห็นว่าเมื่อดับตัณหานี่ได้ล้วทุกข์ก็ดับไปจริงๆดับความอยากได้มากทุกข์ก็ดับไปมากดับได้น้อยทุกข์ก็ดับไปน้อยนี่ปัญญามันเกิดขึ้นเรายมมองเห็นความจริงอย่างนี้แลวการที่บุคคลจะมีปัญญาได้ก็เพราะอาศัยข้อปฏิบัติ ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาทีุู่้เจ้าทรงแสดงไว้หรือมักมีองค์แปดประการนั่นแะเป็นข้อปฏิบัติทําให้เกิดสติเกิดปัญญาอันฝูงส่งทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมของจริงทั้งสี่ประการนังกล่าวมานี่เพราะฉะนั้นแหละเมื่อพููได้ได้ยินได้ฟังแล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจ มำเพนทรัพย์ภายในให้เกิดให้มีขึ้นในตนจนตลอดถึงได้รู้แจ้งในอริยสัจจะทรรมทั้งสีดังกล่าวมาได้ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูงส่งดังแสดงมา